ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายพระสูตรที่จะได้บรรยายในวันนี้คืออุคขสูตรซึ่งทรงสแสดงไว้ที่อัตกะนิบาตอังคุตรนิกายละก่อนที่จะบรรยายพระสูตรก็อยากจะขอประทานโทษวันก่อนพูดพลาดไป ใ, ในเรื่องอายุ ข, ของภาษารีบุตรกับระนางสารี คือวันก่อนก็พูดเรื่องพรรษาของท่านว่าทีสิบพรรษาแม่ก็คงจะหกสิบกว่าแต่แท้จริงพระสารีบุตรก็อายุก็คงจะรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเจ้านางสารีเองก็คงจะร่วมร้อยไปแล้วเพราะว่าถ้าเราเทียบเคียงประวัติมาตั้งแต่ต้นนั้นพระสารีบุตรท่านก็ออกปวดในสานักสัญชัยตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็อายุอาจจะน้อยกว่าพระพุทธเจ้าบ้งางเพียงเล็กน้อยเรืออาจจะไล่เลี่ย ก, กันอันนี้ก็เป็นการพูดเผลอไปอาจจะเข้าใจผิดไปได้เรื่องของอุค่าเศรษฐีหรืออุคะอุบาสศกนั้นก็เป็นแนวพระสูตรที่แปลกไปกว่าพระสูตรอื่นคือเมื่อพระพุทธเจ้าประทับจูดที่หัดถีคามเมืองไผ่สาลี ได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอุค้าอุบาสุกรุค้าเศรษฐีนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะที่อัศจรรย์หรือมีคุณธรรมอย่างอาัศจรรย์แปดประการรับสั่งแล้วก็เสด็จขึ้นภิกษุทั้งหลายก็งงกันไปเราไม่รู้อะไรบ้างนี่ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า ที่ต้องการจะให้ผู้ฟังไปแสวงหาความเข้าใจเอาเองอย่างบางครั้งแสดงธรรมะโดยสรุปพูดเพียงหัวข้อเดียวแล้วเสด็จขึ้นพิสุทั้งก็งงคือไม่รู้หมายความว่าอย่างไรก็รทำให้ต้องไปสอบถามพระเถระเช่นพระกัจจายนะเป็นต้น ก็ น, นี้ก็เป็นวิธีการเชิดชูยกย่องคนอีกวิธีหนึ่งของพระพุทธเจ้าคือแทนที่จะทรงแสดงยกย่องเสียเองก็สร้างความสนใจขึ้นแก่ผู้ฟังให้ผู้ฟังไปขวนขวายแสวงหาเอาประศุณณในแนวนี้ว่าที่จริงก็มีอยู่มากแต่ว่าส่วนการยกย่องอุคคลอุบาสุกในที่นี้ก็มีลักษณะที่แปลกออกไป คือเป็นการให้พระไปสอบถามจากอุบาสกเ อ, เองเมื่อวิสูุท่านเกิดความสงสัยข้องใจก็ไม่รู้ว่าแปประการนั้นคืออะไรบ้างก็ไปที่บ้านของอุคฆอุบาสกแล้วก็บอกให้ท่านทราบว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในที่ประชุมสงฆ์ที่หัดทีคามว่าอุบาสกนั้นประกอบด้วยคุณธรรม มาสัจจันแปดประการด้วยกันแต่8ประการนั้นคืออะไรบ้างก็ข อ, ขอให้อุบาสกช่วยบอกให้ทราบด้วยท่านอุบาสกท่านก็พูดในทํานองถ่อมตนคือบอกว่าผมเองก็ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้ายกจ่องผมเรื่องความมาศัศจรนแ์8ประการแต่ผมก็ไม่ทราบว่าทรงประสงค์ถึงเรื่องอะไรใน8ปประการนั้น แต่ก็ผมเองนั้นมีความรู้สึกว่าความอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นในชีวิตของผม8ประการด้วยกันเราขอให้พระคุณเจ้าตั้งใจฟังก็จะเรียนถวายเดี๋ยวท่วานก็เล่าแต่ที่จะนํามาเล่านั้นก็กกกคงจะมากกว่า8ประการเพราะเอาสองสูตรมารวมกันคืออุคระสูตรที่หนึ่งกับอุคระสูตรที่สองส่วนที่เหมือนกันก็เหมือนกัน ส่วนที่แผกแตกต่างกันออกไปก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาประการแรกท่านบอกว่าเมื่อคราวที่ท่านพบพระพุทธเจ้าคราวแรกที่นาขวันรืออยู่ในป่ามหาวันเมืองไผ่ซาลีนเองพอเห็นพระพุทธเจ้าปุ๊บในท่านเชื่อปั๊บทันทีเลยว่าองค์นี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้า ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยจะต้องสอบถามก่อนเป็นต้นไม่มีความคิดอย่างนั้นขึ้นมาได้นี่ก็เป็นลักษณะที่ออกเจดเด่นเป็นพิเศษสาหรับคนซึ่งเป็นอุบาสกที่สำคัญคือตามปกติแล้วเราจะพบว่าแม้คนระดับพระปัญจวคีเองเห็นพระพุทธเจ้ายัางตั้งป้อมจะชนคือจะ ไม่ให้การเคารพนับถือไม่ให้การต้อนรับเป็นต้นจำปุกาชีวกซึ่งพบพระพุทธเจ้าคนแรกน่าจะได้ดีกว่าเพื่อนแต่ไม่เอาไหนเลยเพราะไปเครือบแคลงสงสัยเสยบดด์เราปิดบางสติปัญญาเอาไว้หรือแม้แต่ท่านปุกุสาติหรือกามณิทที่ท่านได้เคยอ่านมาคือกว่าจะรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็อยู่กันตั้งคืนนะแต่ท่านอุกคะ คือหะ บ, บดีพอเห็นพระพุทธเจ้าปับ๊บนี้ท่านปรงใจทันทีว่าท่านผู้นี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้สึกมีความเคลือบแคลงสงสยัยหรือจะต้องสอบถามก่อนเป็นต้นนี่อะไรเป็นประการสำคัญก็คือเรื่องของบารมีธรรมที่ท่านผู้นี้ได้สร้างสมอบรมมาในอดีตการคือทาให้ตัดสินใจเชื่อลงไปได้ทันที โดยไมย่ปล่อยให้ความเครือบแคลงสงสัยมาเป็นอุปสรรคหรือมาเป็นตะปูตรึงใจเอาไว้ถึงบางครั้งบางคราวบางคนก็ตรึงเอาไว้ตั้งนานแม้แต่บวชเรียนมาแล้วบางทีก็ตะปูก็ตรึงอยู่งั้นเองคือยังไม่แน่ใจพระพุทธเจ้ามีหรือเปล่ามีฤทธสัจสรู้หรือเปล่าอะไรต่ะาง น, นี่ก็คือจุดเด่นประการหนึ่งที่ท่านถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านซึ่งออกจะผิดแปลกจากคนอื่น เมื่อท่านเกิดความเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วท่านก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพศรัทธาจริงๆพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุบุพีแกถาแก่ท่านอนุบุพีิกถาคือแกถาที่แสดงฟอกอัธยาศัยผู้ฟังไปโดยลำดับคำว่าโดยลำดับนั้นหมายความมาผู้ฟังอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเดินได้ตามลาดับถ้าเดินไม่ได้ก็แล้วไป เกจะเริ่มจากข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวแล้วก็กระจายข้อนั้นออกไปวิจิตพิสดารเพื่อให้บุคคลผู้นี้สามารถหาความดีได้ในจุดนั้นซึ่งก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาตามสมควรแก่ฐานะแต่ถ้าหากว่าผู้ฟังมีพื้นอัทยาศัยพร้อมก็เดินไปได้เรื่อยๆในที่ทั่วไปเรียกว่าสัมภูรานุสาสนี คือเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงมากที่สุดเพราะคนเราจะอยู่ในระดับที่ต้องฟอกกันก่อนจะต้องขัดเกลากันก่อนเป็นเบื้องต้นเริ่มต้นคราวแรกนั้นก็เป็นระดับโลกิยะคือมุ่งที่จะให้คนฝ่ายขวัญสร้างสถานะของชีวิตให้มีความประนีตขึ้นสูงขึ้นโดยลำดับเริ่มมาจากทานในแกถา คือคาถาที่ว่าด้วยฐานการให้ก็จ่อจำแนกแจกแจงออกไปตามสมควรแก่ผู้ฟังเมื่อเห็นว่ายังไปได้ก็จะขึ้นไปในเรื่องของศีลแสดงศีลชั้นไหนพอส่วนมากแล้วก็จะเน้นที่ศีลห้าเพราะศีลห้านั้นเป็นรากแก้วของศีลทั้งหมดเพราะดนจริงศีลของพระแม้จะมี2องยยีออกไปคือนับตัวเลขมันก็เยอะ แต่ท่านทั้งหลายลองเชื่อมโยงดูนะครับาที่จริงมันก็เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับทางเพศเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคําเกี่ยวกับการมีสติหรือไม่มีสติเวก็คือรากมันก็อยู่ที่ศีลห้านี่เองลองไปนับข้อแล้วแม้แต่ศีลแปดลองนับดูนั่นก็รากอยู่ที่ศีลห้าศีลห้าจึงถือเป็นรากทั้งศีลสี่ข้อแรกนั้นท่านเรียกว่ากรรมกิเลส คือกรรมที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองเกิด ค, ความเดือดร้อนถ้าละเมิดทาไมละเมิดก็กลายเป็นศีลเอ่อข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าการให้ทานการรักษาศีลนี่ทำยากง่ายไม่เหมือนกันอย่างในต่างจังหวัดที่บางแห่งโดยเฉพาะที่วัดซึ่งมาเคยอยู่เนี่ยถ้าคราวเลี้ยงพระแล้วมายคนจังเลยเลี้ยงกันไม่หวาดไม่ไหว แต่พอรับศีลพอเทศละโยมหายไปไหนหมดไมันขึ้นไม่ได้ฮะมันปีนบันไดธรรมะประกวดกับข้าวปลาอาหารใครทําอร่อยกว่าก็มาโชว์กันสนุกดกีกินแล้วมันก็เลี้ยงกันนะฮะเลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงตัวเองสนุกสนานกันแต่พอศีลแล้วก็ต่ไม่ขึ้นกระลบไปอันนี้เพราะงั้นถ้าคนพร้อมก็จะขึ้นไปที่ศีลถ้าไม่พร้อมก็แล้วไปกระจายที่ฐาน แสดงศีลตามเหมาะควรแก่ผู้ฟังเห็นว่าจะไปไหวก็เอาศีล ก, กับทานกับทานกับศีลเนี่ยเป็นเหตุว่าจะทําให้บุคคลประสบสิ่งที่เรียกว่าสักคะคือสวรรค์คาว่าสวรรค์นั้นเราเขียนจากสัสกฤกคือจากสระคะแปลว่าอารมณ์เลิศถือหมายความว่าสวรรค์นั้นก็ได้แก่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผลพระที่ดี เมื่อมีอารมณ์ห้าอย่างดีใจมันก็ดีใจมันก็เลิศใจมันก็เพลินใจก็มีความสุขเราแสดงผลของทานของศีลที่ประณีตขึ้นไปจะสร้างสวรรค์ที่ประนีตขึ้นไปโดยลำดับถ้าคนฟังยังไหวจะชี้ในประเด็นของสวรรค์ที่มันประนีตมีกาบเป็นชิปเป็นโลกชิปเป็นทิพยภาวะมีเทพปรตรุเทพธิดาอะไรอไรวิจิตพิสดารเนี่ยให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นกาบ คือเป็นเปลือกตมเป็นเหยื่อเป็นอาม i ตรเป็นความมนเวียนในสังสารวัฏของบุคคลเทวดาก็มีทุกพรมก็มีทุกมนุษย์ก็มีทุกทุกตายอีกอันดับหนึ่งนี่แสดงว่าเริ่มจะดึงคนออกนอกโลกอะ่ะแสดงการมถี่ดบคือโทษของกามโดยอุปมาออกไปวิจิตพิสดารเป็นเหมือนศีรษะอาสารพิษบ้าง เป็นเหมือนเขียงสับเนื้อบ้างเป็นเหมือนถือเปลวไฟทวนลมบ้างเป็นเมือ่อเป็นเหมือนแผลบ้างซึ่งหมายความมาอุปมาแต่และอุปมาณนั้นเมื่อพิจารณาเทียบเคียงแล้วเห็นภาพชัดเจนถือครบเพลิงทวนลมสว่างก็สว่างนะร้อนก็ร้อนแต่ถือไม่ดีและยิ่งบางทีก็ไม่น้าเอาเลยหน้าตามอมแอ ม, มไปเลยถ้าถือใต้ถือคบไปอะไรเนี่ยคือภาพสมัยนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่า เรื่องของกามนั้นก็เป็นไปอย่างที่ทรงแสดงว่ามีสุขน้อยแต่ก็มีทุกข์มากก็เป็นความจริงแต่ถ้าผู้ฟังไม่พร้อมก็ไม่เทศขึ้นไปหรอกเอาแค่ข้างล่างนี่สามข้อถ้าพร้อมไปอีกแสดงโทษของกามจนชัดเจนประจักษ์แก่ใจของบุคคลผู้นั้นคล้ายๆกับเ ข, า, ข, า, ข, า, ขานั่งๆอยู่ อธิบายถึงไอ้ความรุนแรงโหดร้ายต่อสถานที่ที่เขานั่งมีภยัยมีอันตรายน่ากลัวเพื่อนก็มองเลิกหลักๆหาทางออกไม่ว่้จะไปทางไหนพระพุทธเจ้าก็ขึ้นเนคขมะนิสงฆ์จอขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแสดงอนิสงค์ของการออกจากกามเหล่านั้นซึ่งก็ตรงกันข้ามหมายความว่าภาวะใดที่การครุกครีมัวเมาอยู่ในกามมีอยู่ภาวะนั้นไม่มีในเนคขมะ จนผู้ฟังเกิดชันทะอุตสาหะตอนนี้ใจน้อมไปยะท่านอุคคะคือหะบดีท่านเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามองเห็นกระผมมีจิตอ่อนสงบจากนิวรณ์เป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะฟังคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปจึงทรงแสดงสามุ ก, กังสิกธรรมสามมุ ก, กังสิกธรรมนั้นเป็นภาษาที่เรียก อริยสัจสีนะครับเวลาท่านจัดสรู้ท่านเรียกว่าสามุกังสิกธรรมคือธรรมะที่ประกอบด้วยองค์พร้อมสมบูรณ์ในแต่ละจุดแท้จริงก็คืออริยสัจสีเรแสดงขึ้นไปก็เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างที่จาได้นี่แหละแต่ปฏิบัติยากสาหัสสากาันก็ไม่ค่อยจะเห็นทุกข์ไม่ค่อยละสมุทัยกัน ก็เป็นเรื่องเรื่องทำยากวันทวนกระแสสูงมากเลยก็รวมแล้วก็เป็นแต่ละเก้9ข้อเราเรียกว่าสามุ ก, กังสิกธรรมสี่ข้ออนุปปิกถาหข้อเวลาเรียกสรุปเราเรียกว่าอริยสัเอ่ออนุปปิกรถาและอริย ส, สัจสีสนี้เดินเต็มสูตรจะเดินอย่างนี้ซึ่งในตอนต้นๆท่านทั้งหลายถ้าลองไปอ่านก็จะพบว่าปฐมเทศนาที่สดแสดงดึงคนเข้ามาบวช เท่าไรล่ะตอนนั้น90กว่าท่านนะจะแ้ท่านคือพระยศศะกสหายหคน4ี่คนแล้วก็สหายอีก50กับพัทตะพกี30แล้วก็พ่อแม่พันยาเก่าของพรยะยศศากุพกนี้เทศกันเดียวกันนะเทศเหมือนกันแต่ว่าสองท่านที่สามท่านที่เป็นคารวาานั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นประสดาบาันไป ตอนนั้นก็เป็นพระอระหันต์แล้วอีกสรูปสามสิบรูปทีหลังก็เป็นพระนาคามี แ, แสดงว่าเดินไปเต็มขั้นได้นี่ก็เป็นความอัศจรรย์ของท่านประการหนึ่งคือความเทศครั้งแรกเลยไปพดูพดๆจนเกิดความรู้เห็นขึ้นมาภายในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดต้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ก็ผมก็หมดความเครือดแครงสงสัยในพารัตนาใยมีศรัทธาอย่างลงมั่นคงในพารัตนายัยนี้ก็คยความอัศจรรย์ประการแรกคือเห็นครั้งแรกก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าความเทศครั้งแรกไปพรวดเดียวเป็นพระนาคามีได้นีครร่ความอัศจรรย์ข้อที่สองความอัศจรรย์ข้อที่สก็คือว่าท่านเองนั้นมีพัญญาที่ยังเป็นสาวรุ่นรุ่นอยู่สี่คน ประนาคามีแล้วนะฮะไปถึงก็ไปเรียกพัญญาทั้งสี่มาบอกว่าตอนนี้ฉันประพฤติพรหมจรรย์เธอจะอยู่ที่บ้านนี้ก็ให้ใช้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยบำเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศลไปหรือจะกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ก็เอาทรัพย์สมบัติไปได้หรือไม่อย่างนั้นจะไปอยู่กับชายอื่นก็ได้ ก็ตกลงว่าพันยาคนแรกอาสาสมัครไปหาสามีใหม่แกก็เชิญผู้ชายคนนั้นมาทาเหมือนประเวทสันดรให้ทานเอาน้ำล่างลงบนมือผู้ชายคนนั้นแล้วก็ม้อพันยาให้โดยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเสียดายน้อยใจโทมมนัดหดขูหรือว่าขับแค้นอะไรแต่ประการใดนี่ก็เป็นความหัศจรรย์ประการที่สาม ซึ่งข้อนี้ท่านทั้งหลายอาจจะเห็นว่าอาจจะเป็นเรื่องรุนแรงไปเมื่อคนที่ตาหนิพระเวศสันดรที่ให้นางมัตสีแล้วเราจะมองเห็นภาพอีกสองภาพนะฮะยังเคยเล่าเรื่องพระธรรมทินาเทรีมาในตอนต้นพระธรรมทินาเสนเทรีนั้นแนวเดียวกันคือสามีบรรลุอนาคาเหมือนกันกับท่านอุคะ เศรษฐีเนี่ยแต่นางธรรมธินนาพอเขาบอกให้สมบัติมอบความเป็นใหญ่ให้ทั้งหมดเลยทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี่ขอให้เธอใช้ตามสบายฉันประพฤติธรหมจันทร์นางธรรมธินนาท่านมองอีกมุมหนึ่งถ้ามองเรื่องอะไรเลยคุณถมน้ําลายเลยฉันจะเอาปากเข้าไปรับขอให้ฉันบวชดีกว่าจะไม่เอาอะไรทรัพย์สมบัติที่คุณชิ้งไว้ยังเงี้ยเหมือนกับน้ําลายที่คุณถมนะฉันจะเอาปากไปรับไม่เอา นี่มันก็เรื่องเดียวกันนะฮะเพาะจะเห็นว่าเรื่องเดียวกันแต่พื้นฐานบารมีไม่เท่ากันปัญญาสี่คนนั้นในคนแรกก็เลือเกินรอสักหน่อยก็ไม่ได้อาสาสมัครไปมีผัวใหม่ทันทีเลยมันรู้สึกว่าจะเขี่ยมเกลียด ม, มากไปนหน่อยในคนที่สามนั้นท่านไม่ได้เล่านะฮะอีกสามคนท่านไม่ไเล่าแต่คนแรกนั้นเราจะเห็นว่าแรงเกินไป คื อ, อยังไงมันก็น่าจะแสดงกันอยู่ที่บ้านสักระยะหนึ่งช <c oughs> ่วยเหลือเกื้อกูลกันไปก่อนใช่ปะพอนี้บอกเลิกแล้วก็ขึ้นไปหาสามีใหม่เนี่ยก็จะหนักหนักมือไปนี่มันก็แสดงเห็นความแตกต่างของพื้นฐานทางบา ร, รมีนะเฮ้ยคนเรามองสิ่งเดียวกันนางธรรมทินนาท่านมองอีกมุมหนึ่งแล้วผู้หญิงโดยเฉพาะคนเนี้ยแกก็มองอีกมุมหนึ่งซึ่งอย่างน้อยอย่าง อย่างถ้ามีคนประนีประนอมนะฮะอยู่ที่บ้านสักยะหนึ่งหรือเวลาไปอยู่กับพ่อแม่สักระยะหนึ่งเขาก็มอบทรัพย์สมบัติไปให้ไม่เอาไปเอาเงื่อนขายที่สามนีชักจะเขียมเกลียมมากไปนี่ก็เป็นความอศัศจรร์ภายในใจท่านทั้งหลายจะสงสัยว่าทำไมทาได้วิสาขาอุบาสกทำได้ท่านอุคะคือหับบดีท่านทำได้เพราะว่าพระนาคามีนั่นทันละการาคะได้ คือพวกสังโยชน์5าประการนี้ตัดได้ขาดซึ่งก็เป็นความอัศจรรย์ในข้อต่อไปแล้วข้อต่อไปนั้นคือข้อที่4เนี่ยท่านก็มีความรู้สึกคือไม่ผูกพันในทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติที่บ้านนั้นมีมากเหลือเกินหรือท่านเป็นเศรษฐีใหญ่นะฮะ แต่พอหลังจากฟังเทศในพุทธสํานกแล้วก็มาแจกจ่ายทรัพสมบัติบำเพ็ญทานสงเคราะห์คนยากไร้อนาถาโดยไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกเสียดายในทรัพสมบัติเหล่านั้นนี่ก็เป็นความอาัศจรรย์ประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งฮะคือประการที่สี่นี่ข้ออะไรคือมันอยู่ที่ใจซึ่งเกี่ยวกเกาะอยู่ในสิ่งเหล่านั้น สิ่งที่เรายังไม่สามารถสละได้ก็แสดงว่าเรายั ง, ยงมีราคะคือความกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นจู่ถ้าถ่ายถอนความกำหนัดออกไปในวัตถุใดก็ตามหรือในชั้นของการเทียบเคียงว่าสิ่งที่เราสละไปนั้นจะมีผลน้อยกว่าสิ่งที่เราได้มาจากการเสียสละคนเราก็พร้อมที่จะเสียสละได้ในชา้นของทั่วๆไปแต่ว่าท่านอุค ค, คือหบดีนั้นท่านท่านหมดราคะไปแล้วในด้านวัตถุธรรมทั้งหลายนีย แต่งกษัตรไปโดยไม่รู้สึกเสียดายเพราะเป็นการพิจารณาเห็นด้วยปัญญาประจักษ์แก่ใจอย่างลึกซึ้งท่องแท้ว่าสิ่งเหล่านี้อย่างที่เราพูดกันนะฮะสมบัตินอกกายก็พูดไปอย่างนั้นเองอ่ะมันก็เพลงที่ร้องว่าข่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าก็ว่าไปอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะมันร้องเพลงกันเล่นโกโ้กแต่ว่าเอาก็จริมก็ทําไม่ได้พวกสมบัตินอกกายก็เป็นกัรนี่ยพูดไปสมบัตินอกกายเพื่อนขอไม่ให้อ่ะ เอาไว้นองนอกกายอย่างนั้นเองอันนี้ก็คือปัญหาว่าเข้าถึงใจหรือเปล่าของท่านอุกกาเกลหะบดีก็เข้าถึงใจท่านก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็สละเพราะสละสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการเกื้อกูลแก่คนอื่นแล้วท่านเองนั้นก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องใช้ทรัพย์สมบัติมากแล้วเพราะการที่จะต้องมีมากมันเป็นเรื่องเสริมตัญหามานาชิติ แต่ถ้าเราลดในเรื่องเหล่านี้ลงไปก็ไม่รู้จะจะมีทำอะไรนะเพราะที่จริงก็อิรุงตงนุนังนี่ก็เป็นความอัศจรรย์ประการที่สี่อัศจรรย์ประการที่ห้าก็คือว่าเวลาท่านจะเข้าไปหาพระภิกษุรูปใดก็ตามท่านจะเข้าไปหาด้วยความเคารพเสมอเลยไม่มีความกระด้างไม่มีความถือตัว หรือว่าถือว่าฉั้นสูงกว่านะฮะข้าไปหาแต่จะต้องมีความเคารพทุกครั้งที่ข้าไปหานี่ก็คือลักษณะอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายจะพบว่าคนเราถ้าพอละละอสักกายทิฐิตัวบนสุดนะฮะสังโยชน์ตัวบนสุดมันก็มีอะไรเบาๆลงได้เยอะเลยแต่ว่าท่านนั้นท่านละได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นการเข้าไปหาพระตึงเข้าไปหาด้วยความเคารพ ด้วยความสำนึกยอมรับสถานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพศที่จริงถ้าโดยคุณพระบางองค์คุณก็ต่ำกว่ท่านน่ะตดยว่าท่านเป็นพระนาคามีแต่ว่าโดยเพศแล้วท่านก็ต้องต่ำกว่าพระเพรา ะ, ระท่านยังเป็นคารวะท่านจึงต้องเข้าไปหาด้วยความเคารพเสมอไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่เข้าไปหาโดยความไม่เคารพซึ่งนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะ าอะไราเพราะว่าจิตใจของคนเราสามัญธรรมดาก็ไม่แน่ือแกวงไปแกวงมาบางทีอาจจะเข้าไปหาโดยความเคารพแต่บางทีไปหาแล้วก็เกิดความไม่เคารพขึ้นมาหรือว่าตอนกลับมาก็นึกไม่เคารพแต่ว่าท่า น, ท, านท่านคุมก็ท่านได้ทั้งสามกานนี่ก็เป็นความอัศจรรย์ประการที่5ี่ห้านะประการต่อไปก็คือ เวลาท่านเข้าไปสนทนากับธรรมกับพระนั้นเวลาพระแสดงธรรมท่านเป็นนักเทศนะฮะอุบาสกคนนี้เป็นยอดธรรมก็ะจึกแต่ว่าเวลาพระเทศไม่ว่าจะเทศเก่งไม่เก่งท่านฟังด้วยความเคารพหมดเลยไม่ต้องไปกําหนดว่าองค์นั้นองค์นี้ว่าโผล่หน้าและองค์นี้ขึ้นเลยยี้เลยร้องยี้เลยไม่ยอมฟังแต่อันนี้ไม่คือจะฟังด้วยความเคารพตลอด แต่ก็มีข้อแม้อย่างถ้าพระไม่เทศโยมเทศเองเลยเดี๋ยวท่านเทศเองท่านจะดึงพระเข้าหาธรรมะจะสนทนาธรรมะตอบปัญหาธรรมะอธิบายให้ท่านฟังนี่ก็เป็นการทำงานซึ่งท่านทั้งหลายได้มองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งว่าในสมัยพุทธกาลที่จริงเราก็รับผิดชอบซึ่งกันและกันนะฮะไม่ว่าพระจะเทศให้โยมฟังเสมอไปถ้าไปถึงพระไม่เทศโยมก็เทศเสีบ้างก็ได้ ไคยชวนคุยในด้านของธรรมะอาจจะสอบถามอาจจะสักถามอาจจะเล่าในเรื่องที่เป็นธรรมะทั้งนั้นก็ทํากันมาอย่างนั้นไม่ว่าเป็นพวกอุบาสิกาหรือนางวิสาขาอะไรแต่ไรเนี่ยคือว่าเวลาไปพบพระเนี่ยท่านจะต้องปรารภธรรมะทีนี้ถ้าพระไม่ตั้งเรื่องขึ้นท่านไม่ปรารภขึ้นมาพวกบาสอุบาสิกาก็ต้องปรารภเรื่องนี้ขึ้นมาก็เป็นอะไรเป็นอุดมมงคล กาเลนะธรรมส า, ากัจาเอตมังกัลมุตตะมังเป็นการสนทนาทำตามกานั้นก็เป็นอุดมมงคลประการ น, น, นี้ก็คือลักษณะเด่นประการที่6ซึ่งท่านถือเองว่าเป็นความมหศัศจรรย์ถ้ามีความรู้สึกว่ามหาศัศจรรย์รับมท่านประการต่อไปก็คือข้อที่7ท่านบอกว่าเทวดาได้เข้ามาหากระผมหลายครั้ง แล้วก็มาบอกบอกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสัสรุนั้นเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสัสรุดดีแล้วท่านบอกแต่ผมเองเฉยๆแล้วก็กลับโต้ตอบแก่เทวดาว่าท่านจะมาบอกข้าพเจ้าหรือไม่มาบอกก็ต่างข้าพเจ้าก็รู้ว่าธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าสัสรุดดีแล้วโดยไม่จาเป็นจะต้องมีคนมาบอกท่านแต่ท่านก็รู้ด้วยตัวของท่าน การบอกก็ไม่ทาให้มันแปลกอะไรไปแต่ประการใดสำหรับท่านนี่ก็แสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นถึงอิสระทธาที่มั่นคงจริงๆคือพวกนี้ในค้าถล่มดินทลายไม่เปลี่ยนาศาสนาแล้วฮะเงินสกี่ส0บล้านก็ไม่ไม่เปลี่ยนเพราะมีความมั่นคงในพระคุณของพระพุทธเจ้าคือการที่พิจารณาเห็นว่าธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าสัสรู้ดีแล้วนั้นไม่ใช่หยุดตรงนี้นะฮะในเชิงความเปลี่ยนแปลงทางจิตแล้วนั้นคือบันไ์พัฒนาการทางจิตที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันแล้วคนบางคนมีความรู้สึกว่าทำอย่างนี้ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อาจารย์น้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างนี้อะไรแต่ไหเนี่ยแล้วกเกิดไปขัดแย้งไปชนประจัยปิดดกเป็นชนพระพุทธวัจนะ นั่นแสดงเห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่าเราไม่เชื่อในการสัตรูของพระพุทธเจ้าความศรัทธาจิงงอนแง่นคลอนแคลนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปแต่ถ้าเรามั่นใจในการสัตรุของพระพุทธเจ้าแต่ว่าธรรมะนี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าจสัตรุดีแล้วหมายความว่าไม่มีความว่ปริ์แปรปลวนไปเป็นอย่างอื่นอะไรทรงแสดงว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้น ทางที่ควรละก็ต้องละอย่างนั้นคทางที่ควรบำเพ็ญก็ต้องควรบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นอะไรเป็นความเสื่อมก็เสื่อมอย่างนั้นอะไรเป็นความจเจริญก็เจริญอยู่อย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนปแปลงในตัวของธรรมะเหล่านั้นแต่ข้อนี้เพิ่งเข้าใจในประการหนึ่งว่าถ้อยคําที่เรียกนะฮะเป็นบัญญัติธรรมะนั้นเป็นสัจจะองค์ธรรมะจริงๆเน่ยเป็นสัจจะเป็นยกนตัวอย่างว่าฮิริเนี่ยตัวคําว่าหิริเนี่ยเป็นบัญญัติ ซึ่งอาจจะเรียกภาษาอื่นอย่างอื่นก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรไทยเราก็แปลว่าความละอายแก่ใจบาลีก็เรียกว่าฮิริแต่สภาวะของฮิริที่เกิดขึ้นภายในใจสภาวะอย่างหนึ่ง่จะเรียกไงก็ตามสภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วรู้สึกกลัวต่ อ, ต, อต่อทุจริตทางกายทางวาจาทางใจ่าทาหน้าที่ปิดกั้นทุจริตเอาไว้แม้เกิดขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจของตนสภาวะอย่างนั้นน่ ที่บาลีเรียกว่าฮิริไทยเราปรแปลว่าความละอายแก่ใจภาษาจีนอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งอเมริกาอาจจะเรียกอย่างหนึ่งออฟริกาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งแต่นั่นคือสภาวะที่เป็นสัจธรรมจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างองื่นพอสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้ น, นจะทําหน้าที่ปิดกั้นเลยปิดกั้นทุจติตทางกายทางวาจาทางใจเอาไว้แม่กระทำหรือว่าสภาวะที่ไม่หลง สภาวะที่ไม่หลงไม่เผลอเร่อไม่พลั้งพลาดสภาวะเหล่านี้เราเรียกว่าสติบาลีเรียกว่าสติไทยเรียกว่าความระลึกได้แล้วก็เรียกอย่างอื่นออกไปอีก ไ, ได้มากมายคําบัญญัตินั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาษาเพราะเป็นการสมมติเป็นการกําหนดหมายเป็นการนิยามเรียกองค์ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแต่ตัวสภาวะธรรมจริงๆที่เป็นกุศลธรรมะกุศลธรรมะปะยากตาธรรมะเนี่ย ที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากฤตนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะงั้นท่านเองเลยก็ไม่ตื่นเต้นท่านอุคะเศรษฐีหรืออุคะกิรหบดีนี้ท่านไม่ตื่นเต้นอะไรเพราะท่านรู้ประจักษ์แก่ใจของท่านแล้วก็ทําให้ความอัศจรรย์นในส่วนอื่นๆนะจากจุดนี้เองที่ในสูตรที่สองท่านไปกระจายออกไปคือมันก็ผิดกาที่ว่ามาแล้วเฉพาะข้อนี้ในสูตรที่สองนั้นท่านกระจายออกไปว่า เวลาท่านนิมนต์พระมาเนี่ยบางทีก็เทวดามาเทศสู้รู้เนี่ยคือเทวดาที่ไปยุ่งๆคนที่ไม่ควรจะยุ่งเนี่ยคนที่ควรช่วยกันไม่ช่วยคนไม่ควรช่วยกัไปช่วยเทวดาันที่มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไหร่รึงน่าจะไปช่วยบอกกล่าวคนที่ยังหลงทางยังไม่เข้าใจอะไรอยู่แต่ไปบอกพระอนาคามีเทวดาจะไปบอกท่านแต่ท่านเองท่านก็รู้โด้ยญาณของท่าน พระองค์นี้เป็นอย่างไ ร, ร, ง eh. พ, ร, พ, รพระองค์นี้เป็นพระยาบุคคลพระองค์นี้เป็นผู้ประพฤติตามธรรมพระองค์นี้เป็นผู้แตกฉานในปริยัต eh. ิพระองค์นี้มีคุณธรรมเป็นพระยบุคคลพระองค์นี้เป็นผู้มีศีลมีกัญยานธรรมพระองค์นี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมพระองค์นี้เละเทะใช้ไม่ได้ท่านรู้หมดเทวดาก็บอกท่านอย่างนั้นท่านก็รู้ท่านอย่างนั้นแต่ใจท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยมีความรู้สึกแบ่งแยก ชื่นชมในพระที่ดีๆหรือว่าจิงชางในพระทุศีลแต่ท่านนั้นจะมองในลักษณะร่วมคือเป็นสัญลักษณ์ของพระสังฆรัตน์ท่านจะให้การอังคาดการบำรุงการประนมมือไหว้การแสดงสามีจิกรรมเป็นต้นด้วยความเคารพจริงๆนี่อะไรคือความศรัทธาในพระสงค์ ที่เป็นปัญหาในข้อที่พูดถึงตะปูตรึงใจอย่างี่ว่าเนี่ยคือสังเคกังคติเครือบแคลงในพระสงฆ์แต่ท่านเองนั้นไม่มีในข้อนี้คือไม่เครือบแคลงในพระสงฆ์ท่านแยกออกได้เด็ดขาดนี่คือมาในความในฐานะเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ท่านก็ให้ความเคารพความนับถือยำเกรงอย่างเต็มที่แต่เวลาพบกันเป็นการส่วนตัวองค์ใดที่มีความประพฤติไม่เหมาะไม่ควรท่านก็นแนะนําชี้แจงบอกกล่าว ท่านก็เป็นนักพูดนักเทศที่มีชื่อเสียงซึ่งตรงนี้ท่านทั้งหลายเจอกบถึงความจริงว่าเป็นปัญหาหัวใจที่ใหญ่มากเลยคืออัศาจรรย์ข้อที่8ปดนะฮะพอมาสูตรที่สองเนี่ยท่านกระจายออกมาที่ประสงค์ไม่ได้พูดถึงพระพุทธกับพระธรรมแต่สูตรแรกนั้นจะพูดถึงพระพุทธแล้วก็หมายถึงพระธรรมนะฮะหมายถึงพระธรรมด้วย ก็สรุปแล้วว่าท่านไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็ในไตรจิคาซึ่งก็เป็นฐานใหญ่ในการเป็นชาวพุทธของเราเนี่ยว่าตรงนี้จะแว่งหรือไม่แว่งถ้าแว่งก็สาบสนวุ่นวายอย่างนั้นเองแต่ถ้าวันใดที่มีความมั่นคงได้ไม่ไปใส่ใจถึงเรื่องของคนอื่นเอาเฉพาะข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้อย่างไร มีหลักมีเกณฑ์ที่ยุติลงการสงการในที่ต่งตางๆไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะทำให้เกิดความสับสนความศรัทธาเชื่อมั่นในองค์ธรรมที่ทรงสแสดงไว้ในฐานะนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่เคลือบแคลงสงสัยในพระสงฆ์เพราะแบ่งพระสงฆ์ได้ชัดเจนมากคือสมมติสงฆ์กับอริยสงฆ์ในด้านของสมมติก็คือสมมตินะ ไม่ว่าอยู่ในภาวะใดในฐานะใดก็ตามพวกสมมติทั้งหลายนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงได้มีการถึงเป้าหมายคือเป็นคนดีได้แต่จะมีรูปของเจดีรูปของปิระมิดอยู่ตลอดไม่ใช่จะขึ้นเป็นทรงกระบอกหรือทรงตึกที่ขึ้นชลูดไปอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ทุกสถานะแม้แต่ระดับพระริยบุคคลเองยังลดหลั่นกันได้ เป็นโสดาเป็นสเกตคาคาเป็นนาคาเป็นรหันได้แล้วปุถุชนเองก็มีแนวนั้นในหมู่พระมันก็มีดีมีสามมีดีดีมากดีน้อยดีขนาดกลางมีเลวมากเลวขนาดกลางเลวที่สุดเออเลวน้อยอะไรเนี่ยมันก็มีเป็นลดหลั่นกันลงไปแต่ว่าเราก็เข้าใจในแง่ของสมมติ หรือท่านเข้ามาเป็นโดยสมมติเป็นทหารก็สมมติเป็นตำรวจก็สมมติเพราะงั้นเราจะพบว่าในระหว่างตำรวจดีทั้งหลายเป็นนั้นมากแล้วก็มีตำรวจเลวตำรวจที่ไม่ถึงเป้าของตำรวจทหารที่ดีเป็นนั้นมากก็มีทหารเลวทหารที่ไม่ถึงเป้าแม้ในวงการนักบุญฮะวงการนักบุญเช่นวงการแพทย์วงการพยาบาลเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ที่น่าจะบริสุทธิ์ผุดพองแล้วมันก็มีแพทย์ดีแพทย์แพทย์ไม่ดีพยาบาลดีพยาบาลไม่ดี เพราะอะไรเพราะเรื่องสมมตนะิน่ะมันเข้าถึงสมมติเต็มที่หมดนะไม่ได้เพราะถ้าถึงสมถ้าเข้าถึงเต็มที่มันไม่จะสมมตนะิได้เนี่ยอย่างพระสงฆ์พอเข้าถึงเต็มที่ท่านก็เป็นอริยะสงฆ์ไปแนละ้วท่านก็ไม่สมมตนะิอ่ะพอถึงจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีปัญหาอะไรคนที่จิตใจมั่นคงจริงๆเท่านั้นเองจึงจะไม่สับสนวอกแวกจะไม่เดือดร้อนคนระับบางทีเวลา เอามาไปทําบุญต่างจังหวัดทีเราก็ไม่รู้จักพระวัดนั้นอะไรอะไรใครเนี่ยแกมาแกก็ไม่รู้จักว่ามาเป็นใครไปทําบุญให้ญาติทําบุญให้ญาติทีแมก้ก็น่าเอ็นดูแกว่ากันแกนั่งย่าให้ได้แถวซะหน่อยก็ไม่ได้ไม่ค่อยเรียบร้อยบางคนนั่งสมาบางคนนั่งพับเปียก บ, บางคนนั่งเท้าแขนเราก็นั่งทําใจสบายคืออย่าไปบุ่นวายแ ก, กตอนนั้นเราก็ไม่ได้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ใหญ่อะไร เราเป็นเพียงทายกคนหนึ่งทำหน้าที่ทายกตนเองเราก็นั่งเราเฉยๆไม่พูดไม่จ้าอะไรเราปล่อยให้ท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นนะวันหลังถ้าไปพบกันที่วัดก็อาจจะคุยกันนิดหน่อยแต่ตอนนั้นเราก็อยู่ในฐานะทายกเรานิมนต์ท่านมาเพื่อให้เราได้บำเพ็ญบุญเราก็ทำบุญก็เราไปตามใจสบายคือถ้าไปวกแกไปคิดสับสนแล้วมันบุ้นนะแต่นี้เป็นเป็นระดับใจของสามัญชน มันก็แกว่งไปแกว่งมาได้บางทีก็งดหงิดเหมือนกันแต่ก็ต้องพยายามข่มใจเอาไว้คืออย่าไปแสดงอะไรในที่นั้นเพราะท่านอยู่ในฐานะที่เรานิมนต์ท่านมาส่วนวันหลังก็อีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของความหัสจันจร์ของท่านและประการที่แปดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเรื่องตัวจริงๆมาอยู่ตรงนี้ตัวที่ไปสร้างตัว หลักๆขึ้นอีกเจข้อข้างบนที่กล่าวมาแล้วนั้นก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ท่านบอกว่าท่านมองเห็นว่าโอรัมภาคยาสังโยชนะฮะก็เรียกคือสังโยชน์ที่มันแบ่งเป็นสองช่วงสังโยชน์เบื้องต่ำกับสังโยชน์เบื้องสูงส่วนมากเวลาท่านพูดท่านจะพูดเป็นจำนวนบาลีคือง่ายๆแต่ตมาเองแปลกแปลกว่าทําไมรพระยกบาลีเขาหน่อยหนึ่งเป็นเรื่องใจด้วยกัน แล้วเวลาอาจารย์สอนเนี่ยอีกอักษรภาษาอังกฤษเยอะแล้วไม่ไม่เห็นจําเป็นอะไรต้องพูดภาษาอังกฤษนันะเรียกอย่างนั้นภาษาอังกฤษว่าอย่างงั้นก็พูดไทยไปแล้วทำไมจงเรียกอังกฤษด้วยอะไรก็เวลาอาจารย์สอนกันตามวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยวิทยากร พ, พูดภาษาอังกฤษหรือไม่แต่ปาปาตกถาพิปรายแล้วพูดเป็นฝรั่งและสนากันจะตายไม่เห็นใครไปตํำหนิติดเตียนอะไรเพราะพระพูดบาลีไม่ได้พูดเป็นพระพูดบาลีฟังมาเรื่องพระพูดนั้นแปลให้ทุกทีนะจริงจัง แปลให้ทุกทีเรียบร้อยด้วยอธิบายด้วยไม่จะพูดขึ้นมาเฉยๆแต่อังกฤษนั้นเราพูดแล้วก็ไม่ค่อยแปลกันเลยทําไปนี่มันอะไรคือเราไม่ได้มองมาที่จริงมันคือกิเลสอย่างหนึ่งสแสดงมานะคือมันฟูขึ้นของมานะเนี่ยคือบางทีบังฟังไม่รู้เรื่องหรอกที่เขาพูดฝรั่งมาเนะี่ยแต่แหมจะแสดงยิ้มๆจะหน่อยนะเห็นเพื่อนยิ้มๆก็มี <laughs> มีเพื่อนตอนไปเรียนที่อินเดียนะคร ก็ไปถึงก็ฟังแต่ไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะฮ <c> ะ <oughs> รุ่นก่อนในี่เพื่องก็ล่าก็ฟัง <c oughs> พวกนี้ก็เรียนรู้สึกจะเรียนคณะสังคมพอฟังแขกบรรยายนี่จะบอกใครเลยในแขกเนะี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยนะตอนนั้นใหม่เนี่ยฟังไม่รู้ทีนี้มันมันทำยังไงบางจีนไอ้นักศึกษามันหากันคืนไอเราจะนั่งเดือยเฉยๆก็น่าเกลียด <c oughs> แล้วพวกนี้ก็นัดหมายกันสาสี่องค์่ คือว่าหมายความว่าถ้าใครฟังออกแล้วถ้ามันขำให้ช่วยสะกิดด้วยเพื่อจะได้หัวเราะด้วยทีนี้ไอ้กําังสอนๆเนี่ยเพื่อนไอ้คนทําดินสอหล่นก้มลงไปจะหยิบอะฮะมันไปถูกเอาเพื่อน หัวเลาะดิ้นเลยเลยกไ็ไอ้พวกแขกไอ้ไอพวกแขกก็ขำกันใหญ่อันเนี้ยเราจะพบว่ามันมันอะไรฮต้องการได้ต้องการเด่นต้องการได้ฐานะแล้วก็เมืองไทยเรามันก็มีลักษณะอย่างนั้นะบางทีเด็กๆที่กุฏิ เมื่อคืนในโรงต้องเจี่ยงคืนครึ่งนะฮะเด็กมันฟังเพลงว่ารังคงึ่งกึ่กึึลงไปดุมันอนะ่ะแล้วถามแกพูดดาแกฟังได้เปล่าฟังไม่ออกหรอฮะแล้วนะมันแสดงสถานะมันเฉยๆนี่แหละคือคือเรื่องของของกิเลส ท, ที่ต้องการจะทําให้ตัวเองเด่นบางทีบก เ, เชิญฝรั่งมาปตาตรกถานคนบางคนในภะานษาอังกฤษแม้แตดิกมานั่งฟังยิ้มมัเขาด้วยนั่งฟังยิ้มมาทำหน้าบานอนยะ่างนั้นเอง นี่ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองฮะแต่พอธรรมะยกธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งนะมอมันรื่มงอยได้เกินนะพระนี่พูดเป็นภาษาบาลีฟังไม่รู้เรื่องไอ้นี่ทุกแห่งเปัญหานี่ถามกันทุกแห่งพูดกันมาทุกแห่งบอกพระทําไมไม่สวดให้เป็นภาษาไทยบ้างทําไมสวดเป็นภาษาบาลีบอกไอ้ตอนพระเทศหรือยมไม่ฟังนี่นะตอนพระเทพก็ไม่ฟังอ้างมาพูดเป็นภาษาบาลี ที่พูดเป็นภาษาบาลีก็แปลให้แล้วไปบ่นเรื่องพระสวดคือต้องการอะไรต้องการแสดงว่าที่จริงนะฉันสนใจศาสนาจังนะแต่ว่าพระสรวดช่างฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เข้าวัดทัทง้งๆที่ว่าตัวเองไม่ได้ทําหน้าที่แต่ก็ต้องการรักษาสถานะแสดงสถานะของตัวเองเลยก็ประโยน์ความผิดเอาให้พระเรื่องเหล่านี้เวลาเวลาท่านพูดเนี่ยท่านก็พูดรวมไปเลยก็เรียกว่า โอรัมพากิยสังโยน์กับอุทรมพากิยะสังโยช์คือสังโยช์มันมีสองฝ่ายควายควายต่ำสังโยชตเบื้องต่ำเนี่ยท่านอุขะคืระ บ, บดีท่านละได้เด็ดขาดก็มีห้าข้อที่ทำให้ท่านเกิดอศัศจรรย์ไ้เจข้อหรือหรือว่าที่จริงมันก็8ดข้อนะฮะเพิ่มที่พระสงฆ์เข้าไปด้วยคือหนึ่งสักกายทิจิ ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเนี่ยแบบ่งเป็นเราเป็นเขาพวกนี้กระจายตัวออกไปเยอะนะมีมันมีละเอียดอยู่เยอะพวกสักกายทิฐิไม่ใช่ง่ายๆนะฮะที่จริงให้ถอนจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปถอนที่อวิชชาเพราะมันจะมีความรู้สึกเป็นเรานะฮะเราเป็นขันธ์หน้าขันธ์หน้าเป็นเราเรามีในขันธ์หน้าขันธ์หน้ามีในเราในไตรงนี้นมันละเอียดอนะละเอียดแล้วคล้ายๆกับเราเรามีความรู้ฮะแต่แท้จริงเราก็ไม่รู้ อ ย, อย่างอย่งอะไรฮะอย่างอย่างที่เราว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่มีความเกิดแล้วแตกดับไปเป็นธรรมดาเราแก่แล้วไม่ใกล้ฟังจะตายแล้วที่จริงไม่ฮะไอ บ, บอกทั้งๆที่บอกจะตายแล้วนี่เป็นอะไรไม่ยอมลาออกเจ้าตำแหน่งเนี่ยคืออยากเป็นอยู่นั้นอยากมีอยู่นั้นยังขวายควายย้าอยู่นั้นแสดงว่าจริงๆมันไม่ได้รู้ฮะมันท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองมาเฉยๆไม่ได้เข้าถึงใจถ้าเข้าถึงใจนี่เราต้องปล่อยต้องวางต้องละแล้วต้องเตรียมแล้ว เตรียมสเสบียงอย่างที่เราคุณเจ้าใช้คำว่าเตรียมสเสบียงเพื่อจะเดินทางไกลต่อไปแล้วแต่เราก็ไม่ได้มีการเตรียมอะไรนี่แสดงให้เห็นว่าคำพูดจึงเป็นเพียงพูดด้วยปากแต่ก็ไม่เป็นการถึงใจงันในสักายาิทิฏเนี่ยมันมีละเอียดมากเลยละเอียดเหอเกินคือจนถึงก็มองว่าเราเราเป็นเป็นขั้นห้าเนี่ย หรือขันธ์ห้เป็นเราหรือเรามีในขันธ์ห้าหรือขันธ์ห้มีในเราในความรู้สึกตัเนี้ยมันละเอียดมากแต่ว่าท่านก็ละได้ต่อไปก็คือวิจิกิจฉาอย่างที่ว่ามาแล้วนะครวิจิกิจฉานั้นเป็นทางสองแพร่งเป็นทางเสือโครงเป็นทางวิบากเป็นทานหลงป่าคืออุปมาไว้าสารพัดเลยเพื่อต้องการให้คนเห็นภาพว่าตัวความสงสยัยความเครือบแรลงเนี่ยท่านเห็นบาที่มันตัดโอกาสอย่างนี้อย่างอุปกาจีบกที่ล่ามาในตอนต้นตัดโอกาสตัวเอง พอพระพุทธเจ้ายืนยันว่าพระองค์จะจัดสรู้เลยงงเลยงงแล้วก็มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ตัวเองไม่เชื่อแล้วก็หลีกทางไปนี่ก็ทําลายโอกาสตัวเองไปแต่ว่าอย่างท่านอุกกาเกลหบดีนี่เห็นปั๊บก็เชื่อปุ๊บทันทีเลยว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านก็ขจัดความสงสัยเฉพาะในประเด็นนี้ลงไปได้ตั้งแต่ตอนต้นความสงสัยที่กระจายออกไปเนี่ยมันก็มีแปดข้อ ยังไงยังไงมันก็แปดข้ออยู่นี่แหละไม่ว่าใครจะสงสัยเท่าไรก็ตามมันจะอยู่ในเรื่องแปดข้อนี่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรศิกขาในเรื่องเบื้องต้นนะในเรื่องในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตแล้วก็กฎของปฏิจจสมุปบาทแม้แต่คนนับถือศาสนาคริสต์เองก็สงสัยอยู่ในนี้ สงสัยในเรื่องเบื้องต้นเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องอดีตรเรื่องอนาคตทั้งอดีตทั้งอนาคตกฎของปฏิจจสมุปาฏิจะจะเรียกยังไงก็ตามแต่ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็สงสัยอยู่วันก่อนนี้มีคนระดับระดับผู้สอนสาศาสนาคิตมาคุยกันที่กุฏิท่านบอกกับว่ากันตามความเป็นจริงนะท่านเจ้าคุณนะในคำพีนี้ไม่เคยปรากฏว่าคนเห็นพระเจ้าเลย ว่ากันจริงๆนะฮะแต่เขาก็นับถือกันมาอย่างนั้นเพราะงั้นนะ พ, รพระเจ้ามันก็มีเครื่องหมายคําถามอยู่ตลอดแม้แต่คนที่นับถือคิดเองซึ่งไอ้ที่ปากใจจริงๆก็มีไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งลงไปนั้นก็ยังมีความสงสัยอยู่แยะเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันก็เป็นปัญหาที่ตกตะกอนใจพวงนี้พวกประเภทก็เรียกสังโยชน์หรืออนุสัยก็อยู่ข้างลึกที่สุดของใจ พระนาคามีธนระได้แล้วต่อไปก็คือพวกพรรศีลรัตบรามาสความถือมั่นโดยศีลวัดข้อปฏิบัติต่างๆที่มายุติด้วยเหตุผลซึ่งในกรณีนี้พระพุทธเจ้าได้เคยแสดงแก่ท่านกระปาติกะมานพคือคือบอกไม่ใช่ข้อยุติพปกัทธาพวกความพอใจความชอบใจนะฮะและการฟังการเพ่งพินิษ การยึดถือว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงมันอาจจะตรงก็ได้มันอาจจะไม่ตรงก็ได้มไม่แน่เพราะอะไรเพราะมันถ้ามันเสียหัวที่ศรัทธาแล้วพอศรัทธาความชอบใจสมมุติโดยเสียวัตถุหรือบุคคลในเรื่องราวที่เราศรัทธาเราก็จะชอบชอบใจผิดพอชอบใจผิดมันก็ฟังผิดฟังผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็ยืนยันผิดมันผิดตั้งตั้งแต่ต้นมาแล้วแต่ถ้าหากว่าตัวศรัทธาเราไปตั้งไว้ถูก เราก็ชอบใจในสิ่งที่ถูกเราฟังมาถูกเราคิดถูกเราก็ไปยึดถูกดังนั้นแม้แต่เป็นกระบวนการของธรรมะทั้งห้าข้อเนี่มันก็ไม่แน่บางทีไม่จริงก็ได้เพราะถ้าเสียที่ศูนย์คือเสียที่ศรัทธาซึ่งเราไปตั้งไว้มันพลาดเราก็พลาดได้เป็นแถวข้อต่อไปก็เป็นอะไรเป็นพวกกามราคะ การมราคะคือความกำหนัดด้วยกิเลสกามในวัตถุการมทั้งหลายคือสรุปว่าคนระดับพระนาคามีนั้นจะไม่มีการเกี่ยวข้องเพศทางเพศสัมพันธ์นะผู้สํา น, นวนวิชาการเรียกเพศสัมพันธ์ทุกกรณีจะไม่มีความเกี่ยวข้องทางเพศสัมพันธ์เพราะอไรเพราะว่ากามราคะนั้นได้ถ่ายถอนออกไปหมดจา ก, ก จ, จิตใจเป็นการหมดอย่างสิ้นเชิงแล้วข้อ ต่อไปก็คือปฏิกะปฏิกาความโกรธอย่างอ่อนนะฮะไปโกรธปังๆเนี่ไม่มีมาตั้งแต่พระโสดาแล้วว่าที่จริงคนที่เป็นบัณฑิตมีสติปัญญาพอสมควรก็ไม่โกรธอ่ะคือถ้าไม่แรงเกินไปนะแต่บางทีบางคนก็ไปโกรธไว้พอระเบิดเปรี้ยงแป้งขึ้นมาเป็นพายุบุกแคมยุคเหมือนกันก็ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่คุมอะไรได้ยะ แต่ก็ยังมีความโกรธนะถ้าแรงมากแล้วก็โกรธเหมือนกันโกรธแต่ไม่ค้างอยู่ภายในใจคือไม่ตกมาตะกรอนเป็นพยาบาทเป็นพวกอาคาตเป็นอะไรผูกเวรเนี่ยไม่ตกมาอย่างนั้นน่านั้นเองพอมาถึงประนาคามีนิขาเป็นปฏิฆะปฏิฆะแปลว่าหงุดหงิดคือไม่พอใจเพื่อง่ายว่าไม่พอใจไอ้ส่วนความโกรธความอาคาพยาบาทนั้นหมดเรียบร้อย ไปนานแล้วนะฮะพวกพวกพยาบาทอาฆาตมันหมดไปตั้งตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วแต่พอมาถึงจุดนี้ก็พวกปฏิฆะก็หมดก็เป็นนั้นว่าหมดโดยสิ้นเชิงทีนี้ในอุกสูตรที่สองเนี่ยมันก็ได้ท่านไ้เพิ่มกันอีกข้อหนึ่งก็ตกลงสรุปแล้วว่าก็เป็ น, เ ป, นเป็นอัศจรรย์สิบข้อนะแต่ว่าแสดงสองสูตรคือท่านบอกว่าข้อที่ท่านเองจะต้องตายก่อนการปฏิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ย เธอเป็นเรื่องที่ท่านรู้อยู่แล้วนี่ก็เป็นความอัศจรรย์อีกประการหนึ่งคือพวกพระญาตบุคคลระดับนี้มีอนาคตังษยานนะฮะยานที่รู้การอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่ตนแต่ก็ท่านก็ไม่วุ่นวายสับสนอะไรถือว่าเป็นเรื่องการแตกตับเป็นธรรมดาเมื่อท่านไปแล้วก็จะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกพอมาถึงจุดนี้ก็ไม่ทราบโยมคนไหนล ว, วันก่อนในเอา เอกสารมาให้อะไรนะความฝันอันสูงสุดเลอะเทอะหมดเลยไม่รู้ศาสนาไหนไม่รู้เป็นพระอนาคามีหรือว่าเป็นพระเจ้าหรือเป็นพระพรหมหรืออนันเลอหรืออมิตาภ พ, พุทธะไม่รู้อะไรเหมือนกับไอ้ออออพวกงเจ้าข้าวผีนะเขียนไว้เป็นความฝันอันสูงสุดมีรูปเจ ด, ดีย์ใช้ชื่อก็เป็นภาษาบาลีด้วยต้องการอธิบายให้เห็นว่า แล้วพูดไปพูดมาพระพุทธเจ้าของเราจะตัดสรุนี่มีคนกําหนดสูตรมีหน่วยกิจว่ากีนหน่วยกิจจึงจะได้เป็นแอมดัดจริตพูดสรรพิชาการได้ไดพวกผีสมัยนี้ยังก้าวหน้านะฮะด้วยข้าวคนเนี่ยมัพูดสรรพิชาการได้ด้วยจะกินหน่วยกิจจึงจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะงั้นไอ้สูตรของการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาวางไว้แล้วแอมน่าสูงสุดวางไว้แล้วแอมน่าสูงสุดนี่อ่านแล้วไม่รู้อะไรเลยคือเป็นแนวผนสมปน ปนเปไปหมดเลยคือจะดูคล้ายๆอาธิพุท ธ, ธะของมหายานก็ไม่เชิงพระยาโหวาเอ็ดก็ไม่ใช่ครับหรืออันเลาะก็ไม่เชิงอันเลาะหรือพระพรหมก็ไม่เชิงพระพรหมตัวแสดงว่าก็ก็ก็สรงเจ้าข้าผีธรรมดาเนี่ยก็พวกผีตั้งตัวเป็นศาสดาณนี่ยเยอะเลยเนี่ยแล้วคนเราก็ไปเชื่อเอาเนี่ยพร่องก้อนแง่งคลอนแคลนในพระราชณตรยัยนะฮะพุทธังสานางกชามิแล้วไปนั่งกราบไอ้พวกทรงเจ้าข้าผีต่อ มันก็งอนงนันอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับที่ท่านอุกะคือหรบดีท่านได้แน่นอนเขาท่านเป็นพระนาคามีท่านก็สูงกว่านั้นเจอท่านมั่นคงกว่านั้นเพราะว่าพอดีหนังสือนี้เขาบอกมีต่อในใครเอามาให้วันก่อนเนี่ยขอให้ต่อหน่อยนะฮะมันต่อไปยังไงมันจะเข้ารถเข้าพงไปไหนไห น, ไหนเออก็ในตอนสุดท้ายของพระสูตรเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ทั้งสองสูตรนะพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าที่เรากล่าวว่าอุกกคือหัดีมีความอัศจรรย์8ประการนะฮะแประการทั้งสองสูตรแต่ทีนี้เอามาพูดมาสรุปกันว่าในสองสูตรนั้นก็มีแผกกันอยู่สองข้อคือข้อหนึ่งพูดเรื่องพระสงฆ์ประสูนย์แรกพูดเรื่องพระพุทธกับพระธรรมข้อที่สูตรที่สองพูดเรื่องพระสงฆ์แล้วก็ประสูตรต่อไปก็ท่านเพิ่ม คือไม่พูดเรื่องเรื่องอนาคามีแต่พูดเรื่องท่านจะจะตายจะตายก่อนพระพุทธเจ้าซึ่งท่านผู้นี้เรียกอนาคามีนะอนาคามีแปลแปลว่าผู้ไม่มานะอนาคามีก็คือคือผู้ที่ไม่มาสู่โลกนี้อีกต่อไปเป็นผู้ทิกติแน่นอนตายไปก็ไปบังเกิดเป็นพรหมอยู่ที่สุดทาวาสเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นพรหมโลกตั้งแต่ชั้นที่สบสอง ชันะะ้นที่1ิ1ส1ง1ิี่้า1ิบหชั้นที่12ไปแต่ว่าชั้นไม่จะซ้อนกันเป็นจานซ้อนนะฮะอย่าไปคิดเป็นจานซ้อนไอ้จานซ้อนนั้นมันสวรรค์โลกอะไรของของพรามก็นนั่นเองของเรานั้นเป็นสภาพของชีวิตขึ้นอยู่กับสภาพจิตเป็นตัวกำหนดสภาพชีวิตที่จะอุบัติในกติพบต่างๆนั้น เพราะงั้นคนเราจึงสามารถเห็นภพชาติของตัวเองโดยดูที่สภาพจิตของตัวเองในปัจจุบันได้แล้วนะว่าสภาพจิตอย่างนี้ตายไปจะเป็นยังไงซึ่งในแง่นี้สานวนที่เราพูดกันว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ที่จริงเราเลือกเกิดได้พอดีเผลอไม่ได้เลือกมาไม่ได้เลือกมาแต่นั้นเองแต่ก็นในขณะเดียวกันเราก็เลือกวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันได้ ถนาคา ม, มีก็ดีหรือท่านที่ได้บรรลุฌานก็ดีที่ท่านกาหนดคติไว้แน่นอนว่าบังเกิดในพรหมโลกนั้นก็สภาพจิตของท่านในชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นกําหนดเป็นการกําหนดให้เห็นอยู่แล้วเช่นว่าได้ปฐมฌานถ้าไม่เสื่อมนะมีข้อแม้อย่างหนึ่งเพราะพวกพวกนี้เสือนะเส่อมได้ถึงจะตุถชายานะฮะยังเสื่อมได้เลยแม้แต่ไปพวกได้นิโรธสมาบัติและยังเสื่อมพวกนี้มันเป็นซึสงบกิเลสไม่ใช่ละ ก, กิเลส ผู้สงบ ก, กิเลสหรือสยบ ก, กิเลสนี่ไว้ใจไม่ค่อยได้บางทีหล่นปุ๊บลงมาเลยคือหล่นมาจากสูงทีเดียวพวกที่ไม่สูงก็พว ก, พวกต้องถึงกระแสถึงกระแสของมณิพพ์จริงๆเรียกว่ายืนขึ้นฝั่งแล้วนะฮะยืนบนตะลิ่งแล้วคือถ้าพวกพวกว่า้น้ําอยู่ก็พวกที่ขึ้นบนตะลิ่งไปแล้วก็เรียกว่าโสดาบันฮะโสดาตังก็คือกระแสนะฮะโสตาคือกระแสอาปัณะก็คือถึง โสตาปันนะหรือโสดาบันก็คือพูดถึงกระแสกระแสอะไรกระแสของนิพพานมันมีโลกมันมันมีอยู่สองกระแสกระแสโลกกระแสของสังสารวัฏถ้ายงพระนาคามีนั้นท่านก็พ้นกระแสของสังสารวัฏแต่ยังไม่หมดนะพ้นกระแสกิเลสเท่านั้นเองกระแสสังสารวัฏท่านยังมีอยู่อีกชาติหนึ่งเระโสดาบันนั้นถึงกระแสนิพพานแต่ยังไม่พ้นกระแสสังสารวัฏเหมือนกันเพราะท่านยังต้องเกิดอีก แต่ไม่เกินเจ็ดชาติส่วนพระสะกิตาคานั้นก็ท่านบอกว่า ส, สกิงก็คือคราวเดียวนะฮะจะมาสู่โลกนี้อีกคราวหนึ่งนี่ก็ไอชื่อแต่ละความหมายที่ท่านแสดงนั้นแสดงถึงสภาพจิตสภาพจิตเป็นพัฒนาการของชีวิตซึ่งเดินไปในแต่ละจุดจากตัวอย่างของท่านอุคคือหบดี ที่แสดงมาทั้งหมดนั้นท่านจะเห็นได้ว่ามีตั้งหลายข้อนะที่เราไปไหวคือตามรอยเท้าของท่านได้ประการแรกก็คือไม่สงสัยในพระรัตนารายัยประการที่สองก็คือเดินไปตามหลักของศีลของทานของศีลอย่างน้อยก็พิจารณาเห็นโทษของกา ร, รมถึงแม้จะหรือว่าขวายคว้าสวรรค์ไปบ้างก็ยังไม่เป็นไรเพราะก็ดีกว่าตกนรกเยะสวรรค์แล้วก็ การที่3ก็คือการสํารอกความพอใจในสิ่งต่างๆออกไปถึงแม้จะไม่เด็ดขาดอย่างขั้น เ, เสียสละสงเคราะห์องเคราะเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นสละความผูกพันในด้านที่เกี่ยวกับการครองมีครอบมีครวอะไรวุ่นวายคือคื อ, อย้ายถึงก็วุ่นวายนะแล้วก็คือการเข้าหา พระรัตนาตรัยคือไม่ไม่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามก็ให้มีความเคารพฟังด้วยความเคารพแต่พระท่านไม่เทศท่านจะชวนคุยเรื่องอะไรก็ชวนคุยเรื่องพระเครื่องรางของขลังก็เทศใช่ั่งโยมจะเทศแทนในพระใช่ัหมชวนคุยดึงธรรมะอะไรเนี่ยมันก็ไปได้มากไปเรียกอย่างหนึ่งก็คือว่ามั่นใจในอะไรในการศัสรู้ของพระพุทธเจา้าในความดีของพระธรรมแล้วในพระสงฆ์ ผสมก็คือหมู่คณะบุคคลกลุ่มบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดีแต่ส่วนกิเลสประเภทที่เป็นสังโยชน์ทั้ง5ประการนั้นที่กล่าวแล้วนั้นด้วยอากดยอาศัยการศึกษาการปฏิบัติถึงจะถ่ายถอนไม่ได้ก็ขัดเกลาให้เบาบางลงไปได้พอสมควรก็เป็นปฏิปทาเป็นลีลาชีวิตของอุบาสกท่านหนึ่งหรืออุบาสกบาณิกาก็เหมือนกันนะท่านก็เป็นราคามีกันมากมาย ซึ่งคนทั้งหลายในยุคหลังผู้มีศรัทธามั่นคงในปรตนาตรัยก็อยู่ในสภาพที่จะเดินตามท่านไปได้อย่างน้อยก็ในระดับในระดับหนึ่งซึ่งผลจากการเดินตามท่านไปก็จะได้รับผลประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนสมรับวันนี้ก็ขอยุดจิตไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพ่บูรณาธิกานพระพุทธพระพรุทเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วจงมีแด่ท่าน สาธาชนทั us and us and ้งหลายโดยทั่วกัน